เอามาฟังเคสสั ด, ดีวันนี้เป็นของพี่น้องชาวลาวลูกชื่อ ตาทะธานีหานชนะวงเล็บเมเขียนมาอย่างงี้นะเขา อ, อ่านอย่างนี้นะลูกชื่อตาทะธานีหานชนะเมเกิดที่ประเทศลาวได้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา24ปีแล้วพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายอีกหนึ่งคนคุณพ่อของลูกอายุ74ปีคุณแม่อายุ66ปีทั้งสองท่านยังมีชีวิตอยู่ ลูกกราบขออนุญาตเล่าประวัติของคุณแม่ังนี้นะคะคุณแม่เกิดที่เมืองเวียงจันทร์ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองเคยทํางานเป็นเลขานุการของนายพลสูงสุดทางทหารของประเทศเลาวครอบครองคุณแม่มีฐานะดีมากคุณแม่มีอัจฉรยิยะใส่อบอ้อมอารีเจ้ไปวัดทำบุญสม่ําเสมอได้สร้างวัดสร้างศาลาที่เมืองลาวเม่ย้ายมาอยู่ที่ซานดิเอโก ก็ได้ช่วยสร้างวัดไทยละเหล่าเช่นวัดป่าธรรมชาติวัดซานเบอร์นาดิโนวัดไทยเอสคอนดิโดและวัดเมตตาเป็นต้นอไอ้วัดไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยวัดไทยเอสคอนดิโดใช่นะกราบครอบครองลูกได่เข้าวัดพระธรรมการแคลิฟอร์เนียอซูซาครั้งแรกเมื่องานบุญทอดกรถินปี25งหสหนึ่งรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาพบวัดพระธรรมกาย ได้ทำบุญกับที่วัดมาตลอดได้ทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนเข้าวัดแม้ขณะที่วัดกำลังโดนโจมตีอย่างหนักคุณแม่ก็ยังได้พูดแนะนำไม่ให้ก็ตอบว่าวัดปฐมกายอีกด้วยในชาติปัจจุบันนี้ลูกเห็นคุณแม่สร้างแต่บุญกุศลมีจิตใจงดงามแล้วก็ไม่ได้สร้างเวีนสร้างกำหนักอะไรเลยแต่คุณแม่กลับเป็นคนขี้โรคสุขภาพไม่แข็งแรง สมัยอยู่ที่ลาวมีตุ่มขึ้นเต็มตัวโดยไม่ทราบสาเหตุมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งสมาธิแล้วก็บอกคุณแม่่าคุณแม่รับปากทำบุญสร้างศาลามันจะทำให้เสร็จแต่ก็ไม่เสร็จวิธีแก้ต้องไปเอาน้ำจากวัดก้าวแห่งมาทำเป็นน้ำมนต์ดื่มแล้วก็าหายปัจจุบันนี้คุณแม่เป็นทั้งโรคหัวใจเบาหวานตายไม่ทางาน คุณแม่ได้รับการผ่าตัดที่คอแขนขาและหัวใจ oh. ต้องผ่าตัดทั้งข้างหน้าและข้างหลังรวมทั้งหมด24ครั้งผามรทอนกันจริงๆเลย oh. มีอาชีพถูผ่าตัด oh. ต้องใช้สายยางแทนหลอดเลือด oh. แล้วต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละสองครั้งใช้เวลาครั้งละสี่ชั่วโมง oh. คุณแม่ผ่าตัดบ่อยมากจนคุณหมอบอกทุกครั้งว่าสักวันหนึ่งจะต้องตาย เข้าใจบอกจังเลยคุณแล้วแถมพูดต่อไปอีกประโยคเออข้าทาเนี่ยเป็นอัดเป็นทำทีเดียวอย่าประมาทคุณแม่ก็เลยไม่ประมาทมันทำบุญทุกๆบุญของโอ้ยมวนชื่นแล้วก็รอดตายมาได้ทุกครั้งเออก็แหลายคนย่างคุณแม่ต่างกันเนอะคุณแม่น่าจะเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล ที่ตายเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าคนที่เดินไปไหนมาไหนได้ในโรงพยาบาลกลับตายก่อนคุณแม่ซะอีกเออซึ่งหมอพยาบาลและคนไข้ต่างก็พูดว่าเธอรอดตายมาได้เพราะบุญหมอพูดนะเพราะไม่ประมาเธอบุตร์ดา <Her> เฮบุธธาแปลว่าอะไรพระพระุทธ เ, เจ้า่อ่าพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงองค์พระมหาศิริราชธาตุและพระมหาจินนามณีที่คุณแม่แขวนเป็นประจำจนมีต <c oughs> ั ว, ว น, นี้มวนชื่นหล <c oughs> จนมีพยาบาลคนหนึ่งซึ่งนับถือาศาสนาอื่นเห <c oughs> ็น่นุภาความสักดิตสิทธิ์ขององค์พระจึง ขอเก่งยัง้งโอ้แต่ไม่เก่งอย่างลูปไรว้เนี่ยรูามาขอองค์พระของคุณแม่เออแม่คุณแม่จะป่วยมากแต่หน้าตากรับสดใสเหมือนคนปกติมีกำลังใจและใจอยู่ในบุญตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนหมอคนใหม่มารักษาทุกคนไม่เชื่อว่าคุณแม่ป่วยเพราะหน้าตาใสเนี่ย อันนี้ครูไม่ใหญ่เชื่อขนะครูไม่ใหญ่ป่วยเนี่ยไม่รู้วันนั้นโง่เฮงดียไงก็ไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อแม่ยังพาไปที่อายการได้แต่เมื่อได้เอาเครื่องมือทางการแพทย์มาตรวจวัดจึงทราบว่าทั้งร่างกายคุณแม่แทบจะไม่มีอวัยวะของตัวเองเหลืออยู่เพราะผ่ายี่บสี่ครั้งนลยจ้ะ<อ>จิงยอมรับว่าคุณแม่ป่วยจริงๆ แล้วก็พูดว่าคนป่วยแบบเออวันนี้ครูแม่ใหญ่หลุดนัดหลุดม่วนชื่นหมอพูดว่าคนป่วยแบบนี้ไม่เคยเห็นในตำราแพทย์อ๋อแล้วงี้จะไม่ให้หลุดได้ยังไงกิดดูสิเมื่อวันบูชาข้าพระตอนเดือนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สี่พฤษภาคมของที่อเมริกา ดูความอดทนของท่านนะแม้คุณแม่เพิ่งผ่าตัดขาได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนออแต่ก็ไปร่วมพิธีบูชาคาราบาะที่ศูนย์ซาเดีอโก้ด้วยหลังเสร็จพิธี <laughs> กัลยาณวิธีมานั่งสมาธิ <laughs> ในเวลาทำการด้วยกันต่างตกใจอารมณ์ฝันิทานที่ตกใจเรื่องอะไรที่ทำให้ครูไม่ใหญ่ม่วนชื่นเนี่ย <laughs> มาได้ไงเห็นเลือดไหลออกที่แขนข้างขวาคุณแม่ แต่คุณแม่นั่งนิ่งสงบไม่หวัน่นไหวเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอ<ก>้โหโอ<ก>้เป็นเรื่องปกติของท่านน่ะแหละโอ<ก>แต่ว่าอะไรละ่ะคนนอ่าคนเห็นตื่นเต้นคนเห็นก็อดตื่นเต้นไม่ได้จิงกาปเปลียนถามว่าคุณแม่ทำบุญกรรมอะไรมาจิงตั้งเจ็บป่วยทรมานเป็นโรคประจำตัวและได้รับการผ่าตัดมากถึงยี่สครั้งเช่นนี้ครับ มีคนบอกว่าคุณแม่สร้างสราราไม่เสร็จจึงทําให้มีตุ่มขึ้นเต็มตัวเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วทาไมเมื่อดื่มน้ํามนต์จากเก้าวัดจึงหายจากโรคนั้นคะลูกต้องทําบุญยอะไรยังช่วยคุณแม่พ้นจากความทุกนี้ได้ลูกอยากทราบว่าคุณแม่จะมีอากาศโอกาสหายป่วยหรือไม่คุณพ่อคุณแม่และลูกสร้างบุญละกามอะไรา ร, าร่วมกันมาจึงได้เกิดมาเจอกันเพราะลูกรู้สึกรักและผูกพันคุณพ่อคุณแม่มากอยากปฏิบัติท่านน้องชาย ของลูกไม่ค่อยสนใจไม่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่และไม่ยอมทํางานได้แต่กินกับนอนที่บ้านลูกอยากทราบว่าเราทำกรรอะไรมาถึงเจอกันในชาตินี้ <c oughs> <c oughs> เออห <c oughs> น่ารักอืมที่เมืองราแม่ของลูกมีบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมีฐานะความมันอยู่ดีสุขสบายแต่ทําไมต้องจากบ้านเกิดมังนอนมาด้วยเจ้าคะ ลูกเองเป็นคนฝันแม่นมากมักจะฝันเห็นก่อนเกิดเ <c oughs> หตุการณ์จริงสาวันห้าวันหรือ7็วันบ้างอยากทราบเป็นเพราะอะไรจ้าครับอ่ะฟังกันต่อเลยครับ <c oughs> โอ้องขออภัยวันนี้น็อตหลุดเนี่ย <c oughs> คุณแม่มีบุพกรรมอะไรจึงต้องเจ็บป่วยทรามาและต้องผ่าตัดถึงยี่สิบสี่ครั้งครับก็เป็นทั้งเป็นกรรมในอดีตนะลูกนะ แต่ว่าจยเลยนี่ฝันนี้ฝันะนะฝันใ<อ>นฝันลาฝันในฝันก่อนนั่งคนะับมาเรื่องก็มีอยู่ว่า ต, ต้องฟังให้ดีนะลุกนะคุณแม่เป็นเศรษฐีนีมีทรัพย์มากแล้วก็มีนิสัยชอบปล่อยเงินกู้<อ>แล้วก็คิดดอกแพงๆ แ, แต่ใครไม่จ่ายก็ยึดทรัพย์สมบัติของเขา ทําให้ลูกนี่นะ่ะทุกทรมานทั้งกายและใจมากหลายหลายครั้งทําอย่างเนี้ยหลายครั้งต่างคนต่างกรรมต่างวาระกันนะจ๊ะ<อ>เลยทําให้ต้องมามีโรคภยัยแค่เจ็บอย่างนี้เช่นต้องฟ อ, อกเลือดฟ อ, อกแต่ละครั้งก็ตั้งสี่ชั่วโมงทรมานมาก<อ>แล้วก็ต้องถูกผ่าตัดบ่อยๆถึงยี่ครั้ง<อ>ที่ผ่าตัดหลายครั้งแต่ไม่ตายก็เพราะมีบุญกุศล น, นุนอยู่ ทั้งบุญในอดีตและก็บุญในปัจจุบันโดยเฉพาะบุญปัจจุบันจะเป็นหลักทำให้รอชีวิตมาได้หลายครั้งที่มีตุ่มขึ้นเต็มตัวเพราะวจีกรรมทั้งในอดีตและกัปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตเคยเป็นทา ย, ยิกา คือผู้ที่ไปทำบุญไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งในช่วงแรกรเข้าไปใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากคือยังไม่รู้ธรรมเนียมในวัดมักจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมพูดกับพระฟังเร็วแล้วทำให้พระท่านหงุดหงิดใจเวลาถามอะไรก็ทำให้ท่านคันคันใจกวนใจท่านเล่นเงนั้ อ, อย่างนี้เป็นต้น คือพูดไปแล้วทำให้ท่านราคาญใหญ่ครับนี่เป็นกรรมหลักที่ทําให้เกิดตุ่มตามตัวทําให้เกิดความราคาญกายและใจแหม่นี่เพราะนั้นต้องศึกษาไว้นะหลวงนะกา ร, รพูดกับพระอาจารย์เดี๋ศึกษาไปให้ดีทีเดียวกับการปัจจุบันก็คือการรับปากที่จะสร้างศาลาให้เสร็จครับทั้งทั้งที่สามารถทําได้โดยตนเองและสามารถชวนคนอื่นมาทําก็ได้ แต่ก็ไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ที่ดื่มน้ามนต์ก้าวัดแล้วหายก็เพราะไปขอขามาท่าน<อ>ด้วยอนุภาพพระประิพุธมน์ที่ทำเป็นน้ำมนต์นั่นแหละที่ดื่มก้าวัดจึงหายได้<อ>นี่ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกัน<อ>เป็นวิจีกรรมนี่น่ า, นาศึกษานะรโรคนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆนะลูกเอ้ยอเพราะในชาตินั้น เ, นเวลาทวงนี้ ก็มักจะส่งลูกน้องนไปทวงอพอทวงไม่ได้ลูกน้องก็ทําร้ายเขาเลยมีวิบากกรรมทําให้เจ็บป่วยไปตามตัวแล้วมีเลือดออกด้วยจ้าที่ผูกพันความเป็นพ่อแม่ลูกกันมากก็เพราะเคยเกิดร่วมกันมามากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาหลายชาติแล้วนะจ๊ะน้องชายตัวนี้ต้องฟังไอ้ดินในลุกนะที่เขากินกันนอน น้องชายเนี่ยกรรมของวัตตนนี่มันน่าอัศจรรย์น้องชายคือลูกชายอดีตลูปนี้อ๋อโอ้้องชายคือลูกชายของอดีตลูปนี่ในชาติที่แล้วเนี่ยที่แม่ปล่อยเงินกู้เมื่อลูกนี่ไม่มีให้มีแต่ลูกชายคนเดียวเลยไปยึดลูกชายก็มาเป็นทาสในเรือนของตัวจ้ะอ๋อ เขาไปใช้ไง<อ>ชาตินี้มาเกิดเป็นลูกเพราะกรรมในวัฏฏะเขาก็เลยกินกนนัน<อ>กินกันนอนนี่<อ>ไม่เป็นไรลเลี้ยงก็ไปเถอะเพราะกรรมเคยไปไล่เขาออกจากบ้านจากที่ดินที่ตัวเองยึดได้เ<อ>ป็นตอนที่เขาไม่มีเงินใช้หนี้นีชาติในอดีตชาติเดียวกันนั่นแหละเพราะกรรมที่ไปยึดทรัพย์เขาแง่ละไล่เขาออกจากบ้าน พอเขาไม่มีเงินใช้นี้เนี่ยอิบา ก, กรรมนี้ก็เลยมาส่งผลให้ถูกไล่หรือจำใจต้องออกจากบ้านเรือนของตนในประเทศลาวที่ตัวมีฐานะมากอะไรหนึ่งเลยแต่ต้องมีเหตุการณ์ทำให้ต้องพัดพลาดจากทรัพย์ของตัวและที่ส่วนตัวเองที่เป็นนักฝันละแม่นจะด้วยเพราะเคยฝึกสมาธิมากรหมูคณะจา้า<อ>จึงท้าให้มีซิกเซนเซนดีชาตินี้ก็ต้องฝึกต่อไป จะได้ฝันในฝันเป็นนะลูกนะแล้วก็จะฝันเป็นตอนตื่นซึ่งดีกว่าหลับแล้วฝันไปจ้า